นี่มาขึ้นธรรมะที่แทงตลอดได้ยากนะทุกปฏิวิชาแปลว่าบรรลุยากที่บรรลุยากเนี่ยเพราะว่าเป็นธรรมะเครื่องอยู่ของพระอริยะถ้าบรรลุเป็นพระอริยะ ก, ก็จะมีเครื่องอยู่สิบประการเนี่ยเรียกว่าอริยาวาทวาสะนี่แปลว่าอยู่นะอริยะก็คือพระอริยะธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะเจ้า คือผู้ที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยก็มีคุณธรรมสิประการเนี่ยอยู่ในตัวดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกูจนในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละองห้าได้แล้วเป็นผู้ประกอบด้วยองคหกฉลังคุปเปฉลังฆาสมนาคโตเนี่ยมีธรรมะอย่างเดียวเป็นเครื่องรักษามีธรรมะเป็นพนักพิงเนี่ยสีด้านมีสัจจะเฉพาะอย่างอันบรรเทาแล้ว มีความสแสวงหาทุกอย่างอันสละแล้วโดยชอบมีความดำริไม่ขุนมัวมีกายยสังขารอันระ ง, งับแล้วมีจิตหลุดพ้นดีแล้วมีปัญญาหลุดพ้นดีแล้วมันธรรมะสิบข้อเนี่ยนะซึ่งมีคำอธิบายโดยลำดับต่อไปว่าก็อย่างไรภิกษุจึงจะเชื่อว่าเป็นผู้ละองห้าได้แล้ว ก็คือการมฉันทะพยาบาททีนมิทะอุทจักกุกุจักวิจิกิจฉาเนี่ยเป็นโทษอันภิกษุในธรรมวินัยนี้ละได้แล้วอย่างนี้แลภิกษุเชื่อว่าเป็นผู้ละองห้าได้แล้วก็คือละนิวรห้านั่นเองนี่แหละละการมฉันทะละพยาบาทละทีนมิทาอุทจักกุกุจัะและวิจิกิจฉานี่แหละนิวรทั้งหประการเนี่ยเป็นโทษโทษยังไงโทษคือทําปัญญาให้อ่อนกําลังนี่ไง นิวร์เหล่านี้ปัญญาที่ยังไม่เกิดถ้าถ้านิวร์เกิดนะปัญญาที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดคือสมถาวิปัสนาทั้งหลายที่ยังไม่เกิดจะไม่เกิดเลยถ้านิวร์ขัดขวางสมถาวิปัสนาที่เคยเกิดแล้วก็จะเสื่อมเสื่อมด้อยคุณภาพลงหรือว่าจะไม่เกิดอี ก, อกต่อไปเลยเขาบอกว่าสนิมเนี่ยเกิดกับเหล็กไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อเหล็กชั้นใด นิวรณ์ทั้งหลายถ้าเกิดในจิตก็ลักษณะเดียวกันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อจิตเลยมีแต่สร้างความเสียหายทำลายสภาพจิตเนี่ยนะทำให้จิตเนี่ยหมดเรี่ยวหมดแรงทาให้จิตอ่อนกาลังนั่นอะันพวกนิวรณ์นี้ก็เป็นธรรมะที่เป็นบาปเกิดกับบุคคลใดก็ยังบุคคล น, นั้นให้ให้เราร้อนงนั้นะเป็นเหมือนกับเชื้อโรคเลยนะตัวนิวรณ์ทั้งห้าเนี่ยถ้าเกิดในจิตแล้วนะจิตเนี่ยไม่ต่างอะไรจากจิตที่ป่วย คือถ้าร่างกายป่วยก็เดือดร้อนนะ่ะนะทางจิตเนี่ยก็เหมือนกันถ้าป่วยแล้วก็ไม่เจริญงอกงามฉันนั้นเพราะนิวรเหล่านี้ไม่ใช่ศีลใช่ไหมไกุศลศีลก็ไม่เหลือเลยสมถาวิปัสสนาก็ไม่มีเหลือเพราะว่าภาร ก, กิจของนิวรเ น, นี่ยก็คือปิดกั้นนะปิดกั้นไม่ให้กุศลเกิดในขณะเดียวกันก็ปล่อยให้อากุศลเนี่ยเจริญขึ้นเจริญขึ้นส่วนพระาหันเนี่ยก็เป็นผู้ที่ละองค์ห้าเหล่านี้ได้เรียบร้อยแล้ว นะภ า, าระยะไม่มีนิวรณ่าประการกลุ่มรุมฉันแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีโทษอยู่ในตัวจริงๆเนี่ยนะความเสียหายของสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกเนี่ยก็เกิดจากนิวรณ์นี่แหละมันกลุ่มรุมแต่ถ้าผู้ที่ละนิวรณ์ได้แล้วก็ไม่มีพิษภัยอีกต่อไปอเป็นคนที่ดีจริงๆเนี่ยนะเป็นผู้ปฏิบัติดีจริงๆผู้ไม่มีนิวรณ์กลุ่มรุ ม, มคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมะวินัยนี้เพราะว่า คำสอนในพระธรรมวินัยนี้เป็นคำสอนเพื่อกำจัดนิวรณ์ทั้งหลายเราคงเคยได้ยินนะว่าพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะละนิวรณ์ห้าอันทำปัญญาให้ทุรพลมีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐานสี่อบรมโพชฌงเจ็จึงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพรา ะ, ะนั้นข้อละเนี่ยสำคัญมากคือละนิวรณ์ก็ถ้าในสติปัฏฐาน นิวอนบัพาพาทเนี่ยนะคงพอนึกออกกันนี่ยว่าเมื่อนิวณ์ทั้งหลายทั้งห้าประการเนี่ยมีอยู่ในภายในก็รู้ชัดคำว่ามีในภายในก็หมายถึงว่ามันมีโดยความเป็นของกลุ่มรุมเนี่ยนะมันเกิดบ่อยๆเกิดเนืองๆมันประทุ ข, ขึ้นบ่อยๆเนี่ยนะเรียกว่ามีถ้าไม่มีก็รู้ชัดว่าไม่มีถามว่าทำไมนิวรณ์จึงไม่มีบางอย่างนิวรณ์บางอย่างไม่มีเพราะมันยังไม่ได้เชือ้อมันเลยไม่เกิด บางอย่างที่ไม่เกิดเพราะกุศลบางอย่างข่มเอาไว้เนี่ยนะนี่วอนขอกับบางคนเนีน่ยนะเช่นโทสะไม่เกิดเพราะเจริญเมตตาหล่อเลี้ยงไว้ตลอดบางคนเนี่ยราคะไม่เกิดเพราะสุภาพเนี่ยข่มไว้เนี่ยนะบางคนเนี่ยที่ไม่ง่วงก็เพราะอยู่ในที่สว่างเป็นต้นเนี่ยใส่ใจในคําสอนตื่นตัวอยู่ตลอดแต่ถ้าเลิกแบบนั้นเมื่อไหร่ก็เอาละเข้ามาใหม่เนี่ยนะที่เราไม่ค่อยสงสัยเพราะอยู่ใกล้คนมีศรัทธาเป็นต้นเนี่ยนะ แต่ถ้าเอาถ้าหมดเชื้อหมดปัจจัยเอาอีกแล้วนิวรณ์ก็กลุ่มรุมทีนี้นิวรณ์แต่ละอย่างเนี่ยเกิดขึ้นละได้ยังไงก็รู้ชัดนะนะละได้ก็คือด้วยโยนิโสมนสิการนั่นแหละทีนี้นิวรณ์เหล่านี้จะละได้เด็ดขาดถ้าอย่างการมาฉันท่นิวรณ์เนี่ยภารหันจึงจะละได้พยาบาทถีนมิทะนี่ก็ภารหันละได้ กุกุจานี้พระโสดาบันละได้อุทะจ่าผาอรหันละไดะ้กุกุจานี้ผ้านาคามีละไดเพราะกุกุจาเกิดร่วมกับโทสะแล้วก็วิจิกิจฉาพระโสดาบันละไดงั้นผาระยะนี้เป็นผู้ที่ละนิวนทั้งห้าได้โดยเด็ดขาดมาดูว่าก็อย่างไรพิสุจจึงจะเชื่อว่าประกอบด้วยองค์หกิสูจนในพระศาสนานี้ เห็นร <unlucky. S 2> ูปด้วยในตาไม่ยินดียินร้ายเป็นผู้วางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่นะปกติถ้ายินดีนี้ยินดีในอารมณ์แบบไหนในอารมณ์ที่น่าปรารถนาถ้ายินร้ายอ่ะยินร้ายในอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาวางเฉยตัวนั้นวางเฉยด้วยมหากิริยาเนี่ยนะก็คือมีมหากิริยาเนี่ยเกิดขึ้นมีสติและสัมปชัญญะเนี่ยนะ สติก็คือรู้คติแห่งธรรมทั้งหลายสัมปชัญญะก็ต้องสัมปชัญญะ4ีประการมีสติสัมปชัญญะ4ีประการในเมื่อตามองเห็นรูปสิ่งที่เห็นเนี่ยมีประโยชน์ไหมอันนั้นเป็นสาธากะสัมปชัญญะใช่ดูแล้วกุศลเจริญไหมอันนั้นเป็นส ป, ปายะเห็นแล้วรักษาสามถาวิปัสสนาต่อไปได้ไหมอันนั้นเป็นโคจระแล้วที่เห็นเนี่ยอะไรเห็นมีใครเห็นไหม นนะไม่ได้มีอัตตาที่เห็นแต่อาศัยจากขู่กับรูปจากขูวิญญาณจึงเกิดนั้นไม่มีอัตตาอยู่ในนั้นอะไรแล้วก็ต่อไปก็ศึกษาเรื่องจากขู่ทวารวิถีว่าเมื่อเห็นแล้ววิถีจิตเนี่ยนะจากขู่ทวารวิถีเนี่ยอะไรเกิดบ้างอันนั้นเป็นการศึกษามูลปริญญาแล้วก็ให้รู้ว่าแต่ละอย่างนี้เป็นของชั่วคราวทั้งนั้นนะ ตั้งแต่ตาก็จริงๆอะตาก็ชั่วคราวสีก็ชั่วคราวจากขูวิญญาณภาษาเวทนาเป็นต้นก็ตาวะกาลิกะของชั่วคราวทั้งนั้นเลยนี่นะแล้วก็ศึกษาด้วยอคันตุกะคือชาวณะนะนี่นะอคันตุกะคือชาวณนะเพราะนอคันตุกะต้องไม่ใช่โจรมาปล้นเข้าละนี่นะแล้วก็พิจารณาสิ่งเหล่านี้โดยขันอายตนะธาตุถ้ายิ่งพิจารณาโดยปฏิจจสมุปบาทแล้วก็จะดีอย่างยิ่งนนะ ถ้าสามารถประมวลจนเห็นอริยศาสตร์ได้ก็ประเสริฐอย่างสูงสุดเพราะฉะนั้นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะอย่างนี้นะไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองอดำรงอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะอย่างนี้ก็นับว่าเป็นองค์อันหนึ่งนะว่าพระอริยท่านอยู่กันอย่างนี้นะทวารหูนะฟังเสียงด้วยหูทวารจมูกก็ดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโพธพภะด้วยกายรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจยแล้ว ไม่ยินดีในอารมณ์ที่น่าปรารถนาไม่ยินร้ายในอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเป็นผู้วางเฉยเฉยตัวนี้ตัตระมัชตาตานยะไม่ใช่หมายถึงอุเบกขาเวทนาเฉยด้วยตัตระมัชตาตาเรียกว่าถ่วงไม่ให้จิตเนี่ยตกไปในอกุศลให้ดำรงอยู่เป็นไปในกุศลบริหารด้วยสติและสัมปชัญญะอย่างนี้ภิกษุเรียกว่าประผูประกอบด้วยองค์ นี่มาดูข้อความในจูลานิเทศเนี่ยนะพูดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ผู้มีตนอันอบรมแล้วคือผู้มีผู้มีตน่ะนะแต่ถ้าเป็นแปลให้พระพุทธเจ้าก็บอกผู้มีพระองค์อันอบรมแล้วก็หมายถึงอบรมตามทวารต่างๆโดยที่จิตไม่เป็นไปกับบาปอากุศลกระเทศตัวกรรมมัาปุจชาถามว่า พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระองค์อันให้เจริญแล้วอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระกายมีศีลมีจิตมีปัญญามีสติประฐานมีสมมตประฐานมีอิธิบาทมีอินทรีย์มีพระละมีโพชฌงมีมัคคอันให้เจริญแล้วสรุปพระองค์เป็นผู้ที่เจริญศีลสมาธิปัญญาเป็นผู้ที่อบรมโพธิปัฏฐิธรรมอย่างบริบูรณ์พระองค์กําหนดรู้ทุกทรงละสมุทัยเจริญมัคค์ทำให้แจ้งนิโรธแล้ว ทรงรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งกําหนดรู้ธรรมะที่ควรกําหนดรู้ทรงละธรรมะที่ควรละทรงเจริญธรรมะที่ควรเจริญทรงทําให้แจ้งซึ่งธรรมะที่ควรทําให้แจ้งเนี่ยนะอันนี้ก็พระองค์ทํากิจในอริยศาส์อย่างบริบูรณ์พระองค์มีธรรมะไม่น้อยคือมีธรรมะมากมีธรรมะลึกมีธรรมะประมาณไม่ได้มีธรรมะยากที่จะหยั่งลงได้เนี่ยนะอันนี้คือธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นะมีความลึกซึ้งมาก มีพระธรรมรัตนะมากเปรียบเหมือนทะเลหลวงประกอบด้วยฉลังคู่เปคาก็คือค อ, อุเบขาประกอบด้วยองค์หอย่างที่กล่าวไปไม่ยินดีในอารมณ์ที่น่าปรารถนาะไม่ยินร้ายในอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาะเป็นผู้วางเฉยด้วยตัตระมัชตตาดํารงอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะซึ่งอัตถกถาบอกว่าอยู่ด้วยมหากิริยาจิตเนี่ยนะเรียกว่ารับอารมณ์ทุกอารมณ์เนี่ด้วยมหากิริยาจิตหมดเลยเนี่ยนะจะมีบางครั้งที่ด้วยหัสิตุปาทจิต นะแต่ว่าโดยมากก็เป็นมหากิริยาที่ได้รับการอ บ, บรมมาหมดแล้วทีนี้ถ้าของเราทั้งหลายจะรู้ได้ยังไงว่ากิริยานี่เป็นยังไงจิตที่เป็นกุศลนั่นแหละที่เกิดในสันดานของพาระหันเรียกว่ากิริยาเนี่ยนะนคิดอะไรเห็นอะไรแล้วเป็นกุศลตลอดเวลาเนี่ยนะนั่นแหละคือลักษณะของพาระหรัน อธิบายว่าพระองค์นี้ทรงเห็นรูปด้วยพระจักษุแล้วไม่ดีพระไทยไม่เสียพระไทยทรงวางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่ได้ยินเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยคานะลิมรสด้วยเิีวหาถูกต้องโพธิาพด้วยกายทรงทราบธรรมรมด้วยพระมนัสคือใจแล้วไม่ดีพระไทยไม่เสียพระไทยวางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่อันนี้เรียกว่าฉลังคู่เปขาองค์ธรรมคือตตระมัชตตา ทรงเห็นรูปอันน่าพอใจด้วยพระจักสูแล้วไม่ทรงติดใจไม่ทรงรักใครไม่ทรงอย่างราค่าให้เกิดพระองค์มีพระกายคงที่มีพระทัยคงที่ดำรงอยู่ด้วยดีในภายในพ้นวิเศษดีแล้วเนี่นะเรียกว่าเห็นแล้วไม่มีหลักตอคือกิเลสเกิดในใจเลยราค่าก็ไม่เกิดโทสะก็ไม่เกิดเมื่อตามองเห็นนี่นะราค่าไม่มีเลยในอิทถารล์ทั้งปวง พระองค์นี้ทรงเห็นรูปอันไม่เป็นที่ชอบใจด้วยพระจากสูนยแล้วไม่ทรงเกอ้อเขินมีพระทัยไม่ได้ขัดเคืองมีพระทัยไม่หดหูมีพระทัยไม่พยาบาทพระองค์นี้มีพระกายคงที่มีพระทัยคงที่ดํารงอยู่ด้วยดีในภายในผลวิเศษดีแล้วเรียกว่ารับอารมณ์ที่ดีก็ไม่เพลิดเพลินรับอารมณ์ที่ร้ายก็ไม่ขัดเคืองเนี่ยนะก็ผู้ที่ทําได้ขนาดนี้ดีขนาดไหนฮะ จะมีความสุขขนาดไหนใช่ไมไม่กำหนัดในอารมณ์ที่ให้กำหนัดไม่ขัดเคืองเลยนิดเดียวนะไม่ไม่มีโลภะไม่มีโทสะที่เป็นเหตุหรือเรียกว่าเป็นตัวมูลแห่งกองทุกเลยทวารอื่นก็เหมือนกันนะได้ฟังเสียงที่น่าพอใจก็ไม่ยินดีเป็นต้นนั่นเองทวารจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนกัน อีกวาระหนึ่งบอกว่าพระองค์เห็นรูปด้วยพระจักษุแล้วมีพระกายคงที่ในรูปทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจมีพระทัยคงที่ดํารงอยู่ ด, ยด้วยดีในภายในพ้นวิเศษดีแล้วจิตของพระองค์เนี่ยพ้นวิเศษจากนิวรณ์โดยประการทั้งปวงนั่นเองทรงได้ยินเสียงด้วยโสต ด, ดมกลิ่นด้วยพระคารนณะลิ้มรสด้วยพระชิวหาถูกต้องโพธาภะด้วยกายแล้วทรงทราบธรรมอรมณ์ด้วยพระมนัตแล้วมีพระกายคงที่ในธรรมทั้งปวง ทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจมีพระทัยคงที่ดำรงอยู่ด้วยดีในภายในพ้นวิเศษดีแล้วทรงเห็นรูปด้วยพระจักษุแล้วไม่ทรงรักในรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งความรักไม่ทรงชังในรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งความชังไม่ทรงหลงในรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงไม่ทรงโกรธในรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธ ไม่ทรงมัวเมาในรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาไม่ทรงเศร้าหมองในรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองอันไหนหมอญุปินก็เห็นพระพุทธรูปไหมแหมคาถามอย่างงี้ไม่น่าถามใช่ไหมทำไมเห็นด้วยจักเห็นด้วยปัญญาสิ <c oughs> เห็นด้วยตาใครก็เห็นอยู่แล้วเออว่าเห็นพระพุทธรูปเห็นเห็นเห็นตาของพระพุทธเจ้า ว, ว่าตาพระพุทธเจ้าวสวยแล้วคิดยังไง เคยดูเคยเคยนั่งจ้องตาพระพุทธเจ้าบ้างหรือล่าไม่กล้าเลย้ยกราบอย่างเดียวก็คือดูแล้วก็จะได้คิดเออเนี่ยพระองค์เห็นรูปอนะพระองค์นี้ไม่มีราคะในรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งราคะเลยพระองค์มีตาที่เห็นนะแต่พระองค์ไม่มีราคะ เ, ออเลยพระองค์ไม่มีโทสะเมื่อเมือมองเห็นแล้วพระองค์ไม่หลงนะทุกสีที่พระองค์รับรู้เนี่ยมีปัญญาแทงตลอดหมดเห็นไหม พระองค์นี้ไม่มีความโกรธในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธไม่มีความมัวเมาแม้แต่หน่อยเดียวไม่มีความเศร้ามองในทุกอารมณ์นะเพราะฉะนั้นก็โอ้พระองค์นี่รับรูปในทวารตานี่ไม่มีกิเลสเศร้ามองอยู่เลยนะอย่างน้อยก็คือเห็นเนี่ยเห็นพระพุทธรูปก็นึกอย่างนี้บ้างก็ยังดีนะจะได้รู้โอ้พระองค์อบรมเสร็จแล้วนะถามว่าการคิดแบบนี้กับการเข้าไปกราบเฉยๆเนี่ยต่างกันไหมต่างกัน อย่างน้อยที่สุดเราก็ได้เห็นว่าข้อปฏิบัติที่พระองค์ปฏิบัติอยู่นี้ปฏิบัติอย่างไรเนะ şey, นะี่ยถ้าเรารู้แนวทางการปฏิบัติของพระองค์เนี่ยถามว่าเราอยากเป็นอย่างนั้นบ้างไหม <screening! S 1> เราอยากจะมีความสุ ข, ขแบบนั้นบ้างไหมก็อยากบ้างก็มีศรัทธานะคะว่าอยากในที่นี้แปลว่ามีศรัทธาคําว่าอยากเป็นภาษาไทยอะนะไม่รู้ว่าอยากทําบุญก็ใช้คําว่าอยากอยากกินก็ใช้คําว่าอยากนะนภาษาไทยเนี่ยคำว่าอยากนี้ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้แต่นี้หมายถึงฝ่ายดีนั่นเอง ถ้าเรามีความเข้าใจในพุทธคุณขนาดไหนเนี่ยนะใจที่เราเลื่อมใสายผ่องสายในพระพุทธเจ้าก็มีมากเท่านั้นนะนะทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าถ้าเรามองเห็นพระพุทธรูปนะียเคยนั่งดูพระพุทธรูปดูเสร็จก็เพระองค์นี้เห็นรูปด้วยจากสุตนะพระองค์ไม่ทรงรักในรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งความรักเลยอย่าว่ารูปมนุษย์เลยแม้แต่รูปอันเป็นที่พระองค์ก็ไม่ทรงไม่ทรงกําหนัดด้วยอำนาจราคะแม้แต่นิดเดียวก็ไม่มี นี้ก็คิดดูเองพระ อ, องค์รู้ยังไงจรึงจัดราคาอย่างนั้นได้นะให้มีใจคิดอย่างนี้อีกหน่อยนะยรู้ยังไงจรึงจัดราคาได้แล้วพระ อ, องค์ไม่ทรงชังในรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งความชังเลยนะพระพุทธเจ้าเห็นพระเทวทัศ์ก็เห็นพระราหุลเนี่ยพอกันไม่มีความชังเท่ากันก็บอกว่านายขมังธนูพระราหุลพระเทวทัศ์เนี่ยนะองค์คุลิมาเนี่ยสี่ท่านจิตพระพุทธเจ้าเหมือนกันหมดไม่มีความต่าง คิดดูนะไม่ได้มองหูพระเทวทัศน์เนี่ยเหมือนกับน้ําทิ่มตาพระราหุนเหมือนดอกไม้ที่อยู่ในตาเนี่ยท่านได้คิดแบบนั้นพอกันไม่ได้รังเกียจชิงชังอะไรเหมือนกันหมดแล้วพระ อ, องค์เนี่ยทุกอารมณ์ผ่านการพิจารณาหมดทุกสมมติว่าเห็นใครนะพระ อ, องค์รู้เบื้องหลังของบุคคล น, นั้นทั้งหมดด้วยอนาคตต่อไปบุคคล น, นี้จะเป็นยังไงต่อไปด้วยแล้วเจริญวิปัสสนาพิจารณาโดยขันธาตุอายตนะในบุคคล น, นั้นอย่างโปร่ปรงหมดไม่มีเหลือ เน <Workers. S 2> ี่ยนะอันน <ate> like ี <ta> like. <sk inim S 2> ้คือพระองค์เนี่ยเป็นอย่างนั้นนี้ของเราก็เวลากราบพระพุทธรูปหรือเห็นพระพุทธรูปเราก็นั่งเออพระองค์เจริญไปอย่างนั้นนะเราก็จะได้รู้แนวทางว่าต่อไปเราต้องเอาอย่างนี้มั้งนะเหมือนกันนะนะเพื่อนก็หวังว่าถ้าเห็นพระพุทธรูปอันนั้นก็คงจะพิจารณามากขึ้นเนี่ยนะเอ้ยพระองค์เห็นรูปพระองค์คิดอะไรเนี่ยนะสมัยนั้นอ่ะนะสมัยนั้นอ่ะพระองค์คิดอะไรสมัยนี้พระองค์คิดไม่ได้แล้วพุทธรูปคิดได้ที่ไหน แต่พูดถึงอดีตสมัยที่พระองค์ยังมีพระชนอยู่สมัยที่ขันห้าขันธทปัปจกะของพระองค์ยังบริบูรณ์นะนะแล้วก็พระองค์นี่ไม่มีความมัวเมาว่าฉันเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้านะมีไหมมานะแบบนั้นนะฉันเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าแกเป็นใครอันแนะนะดูหมิ่นเหยียดย้มผู้อื่นนี่ไม่มีเลยแม้แต่หน่อยเดียวฉันก็เรียกว่าไม่เมาในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความเมาพระองค์ไม่เคยดูถูกใครเลยนะว่าคนอื่นเนี่ยเห็นสู้เราไม่ได้ด้วยอำนาจมานะนี่ไม่มี เราเนี่นั่งอยู่ตรงนี้มองเห็นโน่นปกติตาเนื้อก็เห็นได้16กิโลเมตรเนี่ยนะตาทิพย์เห็นได้ไม่มีที่สิ้นสุดสัตว์กี่จักรวาลมองเห็นหมดนรกกี่ขุมมองเห็นหมดพระองค์เนี่ยโหเมาเต็มที่นี่ในความเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีมานะแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะไม่มีมานะเลยพระองค์นี้ไม่เศร้ามองในรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้ามองเรียกว่าไม่มีนิวรณ์กลุ่มรุมในทุกอารมณ์ทวานหูก็ในญ า, าเดียวกันนะ ก็วิธีคิดง่ายๆนะเอาราคาโทสะโมหะมาจับพระองค์นี้ทวารหูรับเสียงฟังเสียงไม่มีราคาโทสะโมหะเลย น, นะแล้วก็ต่อไปก็ไม่ไม่มัวเมาไม่โกรธไม่เศร้าหมองเนี่ยนะไม่มัวเมาไม่โกรธไม่เศร้าหมองในทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจเนี่ยนะมันไม่มีความ กำหนัดไม่มีความขัดเคืองไม่มีความหลงไม่มีความโกรธไม่มีความมัวเมาไม่มีความเศร้ามองในทวารหกเนี่ยนะเนี่ยความบริสุทธิ์ของพงค์มีอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเพียงแต่ทรงเห็นรูปที่เห็นแล้วคือพระองค์มีจักขุเป็นประมาณมีจักขุวิญญาณเป็นประมาณชาวนะของพระองค์ไม่มีไม่มีราคะโทสะโมหะเหมือนในจักขุวิญญาณ ฟังเสียงด้วยหูเนี่ยนะไม่มีราคาโทสะโมหะเหมือนโสตะวิญญาณรู้กลิ่นด้วยจมูกเนี่ยไม่มีราคาโทสะโมหะเท่ากับคานะวิญญาณแต่ชาวนาไม่ได้โง่เท่ากคานาวิญญาณนะแต่หมายถึงว่าชาวนาไม่เป็นอกุศลเหมือนคานวิญญาณเพราะไม่มีกิเลแสแทรกเหมือนกัน ชาวนะในทวารลิ้นของพระ อ, องค์ไม่มีกิเลสเลยชวนะในทวารกายมโนวิญญาณชาวนะคือความคิดของพระ อ, องค์ไม่มีบาปไม่มีอกุศลแทรกซึมอยู่แม้แต่นิดเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นในทุกอารมณ์เนี่ยพระ อ, องค์เรียกว่ารอบรู้อารมณ์เหล่านั้ น, น, นหมดจนไม่มีราคะานะกิเลสเกิดเนี่ยให้รู้ว่ามีสาตัวแค่นั้นแหละกำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคือง ลุ่มหลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงมีสามอย่างเท่านั้นจริงๆแล้วที่ดูนะไออารมณ์ไหนบ้างเราไม่กำหนัดนะเอาอารมณ์ไหนบ้างเราไม่ขัดเคืองและอารมณ์ไหนบ้างเรารู้เหตุเกิดของอารมณ์นั้นเป็นอย่างดดับเหตุความดับอสสาทาอาธีนวะนิสรณะอารมณ์ไหนบ้างเราประมวลลงอริยสัจถึงเรายังอย่างนั้นไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าทําได้อย่างนั้นทั้งหมดะนะพระอรหันต์ท่านทําได้อะอย่างน้อยที่สุดนะ ภูทางสารณังข้าฉามีเราจะมั่นคงขึ้นเขาบอว่าสารณคมเนี่ยที่เศร้าหมองเพราะอะไรเพราะไม่รู้คุณไม่รู้คุณของพระพุทธเจ้าเพราะสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอันนี้เป็นเหตุให้สารณะเศร้าหมองไว้ถ้าเอาเอาสติปัญญาของพระพุทธเจ้ามาพิจารณาว่าพระองค์รู้อะไรพระองค์คิดอะไรในความไม่มีราคะโทสะโมหะเป็นต้นสภาพจิตของเราก็เป็นกุศลมากขึ้นเนี่ยนะเรารู้คุณของพระองค์มากขึ้น เรานับถือพระพุทธเจ้าก็อะะเป็นการนับถือแบบแบบคนเข้าใจอ่ะนะไม่ใช่เขาแบบเขามีพวกาศาสนานอกาศาสนาเขาตําหนิเรานะบอกว่าพวกชาวพุทธนี่ไม่ค่อยรู้เรื่องพระพุทธเจ้าอะไรเท่าไหร่หรอกรนับถือกันไปอย่างนั้นแหละก็ว่างั้นเออมันก็จริงอย่างเขาว่ า, าจริงไหมไม่ค่อยรู้ความเป็นไปเป็นมาของพระพุทธเจ้าอะไรสักเท่าไหร่เลยเห็นไหบางทีก็รู้ประวัติบ้างแบบชื่ออะไรพ่อแม่เป็นใครเกิดที่ไหนก็รู้นี่นี่เนาะแต่คุณธรรมยังไงอีกก็ ก็ไม่รู้เองเนี่ยนะก็น่าเห็นใจเป็นอย่างมากพระพุทธเจ้านี้ไม่ทรงติดในรูปที่ทรงเห็นทรงได้ยินทรงทราบธรรมอารมณ์ที่รู้แจ้งไม่เข้าไปติดเนี่ยนะมีไม่มีสักอารมณ์หนึ่งที่พระองค์มีตัณหานะว่าเห็นแล้วจะขอเห็นอีกอันนี้ไม่มีเนี่ยนะไม่มีตัณหาเข้าไปฉาบทาติดข้องแบบนั้นไม่มีของเรานี่เคยเจออาหารอร่อยแล้วบอกแหมวันหลังได้ไเอออีกสักรอบหนึ่งก็จะดี มีคุณล่ามันตั้งหวังไว้ไงนั่งอ๋อดีอ๋ อ, อพยายามละเห็นนะดีละดีละกล็บอกว่าอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยไม่ทรงเข้าถึงไม่ทรงอาศัยไม่ทรงเกี่ยวข้องพ้นวิเศษแล้วไม่ทรงเกี่ยวข้องในรูปที่เห็นมีพระไทยอันไม่ให้มีเขตแดนอยู่คือพระไทยชงพระอง์ใจพระองค์ไม่มีเขตแดนราคานะ่ะเป็นตัวทํำให้มีเขตโทสะเป็นตัวทําให้มีเขต โมหะเป็นตัวทําให้มีเขตทีนี้พระพุทธเจ้ารับอารมณ์ด้วยความปราศจากราคาโทสะโมหะจิตของพระองค์เลยไม่มีเขตแดนเนี่ยนะไม่มีเขตแดนไม่มีสิ่งขีดขวางขัดขว้างใช่ไหมของเราเนี่ยสมมติมองเห็นนะปัญญาไม่ทันเกิดราคาเอาไปเกิดซะก่อนโทปัญญายังไม่ทันเกิดโทสะแย่งเกิดไปอีกปัญญายังไม่ทันเกิดโมหะแย่งเกิดไปอีกดีไม่ดีถีนะมาซึมเข้าไปอีกนะอะไปลายกัญญาอะไรกั น, ยย น, นี้ ก็เลยเหลือแต่สภาพจิตที่คับแคบคับแคบหนักหนเข้าสายจิตมันจะแคบแคบทีนี้ถ้าจิตมันคับแคบขนาดไหนรูปกายมันจะสมควรกับจิตด้วยนะจิตคับแคบมากในที่สุดเป็นสัตว์ตัวนี้เดียวเลยนะจิตแคบมากนะกิเลสนั้นมันทําให้คับแคบขนาดนั้นชาติหลังๆรูปกายเลยแคบลงแคบลงแคบลงแคบลงงั้นทําจิตให้กว้างเหมือนช้างเลยไม่ใช่นั่นเดรฉานต้องเอาแบบตัวเท่าพรมมาดีพรมเนี่ยตัวเท่าเชียงใหม่นะ มองนึ่ตัวตัวใหญ่เท่าตัวเชียงใหมนะ่เนี่ยตัวหลายขาวุดเลยนะใหญ่มากแต่ว่าถามว่าท่านเออาจยัดเยียดกันไหมไม่เนะตัวใหญ่ไม่ได้ดูแลเดือดร้อนนะของเราตัวแค่นี้กันโอ้ยบริหารยากยากนะนะี่